สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ยี่สิบหกพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่แปดพระธรรมฮีบรูบทที่แปดผมอ่านตั้งแต่ข้อที่หนึ่งนะครับจนถึงข้อที่เจ็ดนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า มหาปุริหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันประเสริฐกว่าสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราพูดอยู่นี้คือเรามีมหาปุรหิตอย่างนี้ผู้ประทรับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าในสวรรค์เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์และในพับพราแท้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งเพราะว่ามหาปุรหิตทุกคน ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อนำของถวายและเครื่องบูชามาถวายเพราะเหตุนี้มหาปุโรหิตผู้นี้จึงจำเป็นจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายด้วยถ้าพระองค์ทรงอยู่ในโลกพระองค์ก็คงไม่ได้เป็นปุโรหิตเพราะว่ามีปุโรหิตที่นำของมาถวายตามธรรมบัญญัติอยู่แล้วปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจใน พ, พับลาที่เป็นแต่แบบจำลองและเงา ของสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งพัะพลานั้นพระเจ้าก็จัดสั่งว่าจงระวังที่จะทำทุกสิ่งตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขาแต่บัดนี้พระเยซูทรงได้รับพันธกิจที่สูงส่งกว่าของพวกเขาเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่า ซึ่งตั้งอยู่บนพันธสัญญาที่ประเสริฐกว่าเพราะว่าถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบกพร่องแล้วก็ไม่จาเป็นต้องมีพันธสัญญาที่สองอีกพี่น้องครับผมจะอ่านข้อที่สาคัญซึ่งถือว่าเป็นข้อที่เป็นหลักในพระคมภีฮีรูทั้งหมดนะครับก็คืออยู่ในข้อที่หกครับโปรดฟังข้อที่หกอีกครั้งหนึ่งแต่บัดนี้พระเยซู ทรงได้รับพันธกิจที่สูงส่งกว่าของพวกเขาเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าซึ่งตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ประเสริฐกว่าพียงครับหัวใจของพระธรรมฮีบรูผู้เขียนพระธรรมฮีบรูกําลังนําเสนอว่าพระเยซูนั้นเป็นคนกลางครับเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าซึ่งเชื่อม ระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่โดยพระเยซูนั่นเองพี่น้องครับหากว่าพระธรรมฮีบรูถามว่ากําลังจะเสนออะไรให้กับผู้อ่านเพื่อให้เขาเข้าใจคํำตอบก็คือว่าพระธรรมฮีบรูกําลังเสนอให้ผู้อ่านคือพวกเราทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยนั้นเข้าใจและมีความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเราก็คือพระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงกระทำบทบาทแห่งคนกลางครับ หรือว่า Medi เอเตอร์เมดิเแปลว่าคนกลางนะครับคนกลางของหลายครับคนกลางระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่คนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าพระเจ้ากับมนุษย์อันนี้คือภารกิจหน้าที่หลักของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเรามาอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่8ก่อนอื่นผมต้องนําเสนอให้พี่น้องทราบถึงภาพรวมของพระธรรมฮีบรูบทที่8เียก่อน จริงๆแล้วพระธรรมฮีบรูบทที่8นั้นเป็นบทสรุปย่อนะครับและบทนําของข้อสนับสนุนต่างๆที่ถูกนํามาเสนอและจะถูกนําเสนอต่อไปประเด็นหลักก็เหมือนเดิมครับก็คือพระเยซูทรงดีกว่าพระเยซูนะครับเป็นคําตอบพระเยซูทรงมีหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่ถูกมอบหมายจากพระเจ้าชัดเจนนะครับก็คือหนึ่ง พระเยซูทรงเป็นมหาโปรพิตที่ดีกว่าอันนี้บันทึกอยู่ในพระธรรมพีบรูบทที่สี่นะครับพระธรรมพีบรูบทที่สี่ถึงบทที่เจ็ดเราเรียนมาแล้วประการที่สองอยู่ในบทที่แปดครับที่เรากําลังจะดูต่อไปก็คือพระเยซูทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาที่ดีกว่านะครับอันนี้อยู่ในบทที่แปดนะครับข้อที่ตั้งแต่หกนะครับขึ้นไปประการที่สามพระเยซูทรงปรนิบัติในวิสุทธิสถานที่ดีกว่า เห็นไหมครับอันนี้จะปรากฏอยู่ในบทที่เก้าครับและประการสุดท้ายก็คือพระเยซูได้ทรงถวายเครื่องบูชาที่ดีกว่านะครับอันนี้ปรากฏอยู่ในบทที่เก้าและบทที่สิบพี่น้องครับสี่ประการนี้นะครับจะสําเร็จไม่ได้หากว่าไม่มีประการที่ห้าก็คือว่าพระสัญญาที่พระเยซูทรงหยิบยื่นให้กับผู้ที่เชื่อศรัทธาในโปร่งนั้นก็ดีกว่าพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่า ในระบบของพระเยซูนะครับโดยพระเยซูผ่านทางพระเยซูด้วยพระเยซูทำให้เราทั้งหลายเข้าสู่การยอมรับว่าพระเยซูนั้นเป็นมหาผลิตที่สูงที่สุดที่ดีที่สุดอันที่สองก็คือพระเยซูจะเป็นคนกลางที่ดีที่สุดระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอันที่สามก็คือเรานะครับ จะได้มีพระเยซูซึ่งโปรงปณิบัติอยู่ในวิสุทธิสถานที่ดีที่สุดนั่นหมายถึงการคืนดีการไถ่บาปนั่นเองประการที่สี่ครับพระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชาและเป็นผู้ที่ถวายบูชาที่ดีที่สุดนะครับและประการสุดท้ายครับชีวิตของเรานั้นก็จะได้รับพระสัญญาที่ดีที่สุดดีกว่าในพันธสัญญาเดิมพี่นะครับสี่ห้าประการที่ผมได้พูดมาแล้วนั้นทาให้เราทั้งหลาย จะต้องมั่นใจในพระเยซูครับผู้เขียนพระธรรมปีบรูนนั้นยกข้อความพระคัมภีร์เดิมก็คือจากพระธรรมอิสยาห์และพระธรรมเยเรมีเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าได้ตรัสล่วงหน้าถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธัญะใหม่หรือเมดเเลเตอร์ของเรานะครับซึ่งมาใหม่และดีกว่าเพราะฉะนั้นเราควรจะเข้าใจความคิดนะครับของคนยิวในศตวรแรกก็คือเขากำลังเปรียบเทียบ ว, ว่า จริงๆพระเยซูปเป็นใครกันแน่แล้วเขาควรจะไว้วางใจและศรัทธาในพระเยซูหรือไม่ให้กรอบความคิดด้านวัฒนธรรมศาสนาและชนชาติของพวกหิวนั้นคำพยากร์นะครับหรือแม้แต่ธรรมบัญญัติที่เ ร, เรียกว่าอยู่ในพรมีเดิมนั้นเขาถือว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าครับและพระวจนะของพระเจ้านั้นยังเป็นตัวกําหนดขอบเขตของการมีตัวตนทางชนชาติวัฒนธรรมเผ่าพันธุ์และจิตวิญญาณของพวกหิวด้วยพี่น้องครับ และด้วยเห็นนี้ทําให้เรารู้ว่าผู้เขียนฮีบรูพยายามที่จะยกข้อความผีเดิมหลายข้อทีเดียวเพื่อที่จะโน้มน้าวผู้อ่านที่หวั่นไหวว่าพระเยซูดีกว่าจริงหรือเปล่าพี่น้องครับหลายหท่านทีเดียวก็ยึดติดกับพันธสัญญาเดิมใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคนยิวพระธรรมฮีบรูกําลังบอกกับพวกเราว่าแท้จริงแล้วพระเยซูนั้นทรงดีกว่าเนื้อกว่าสูงกว่าและดีที่สุดนะครับเนื้อที่สุดและสูงที่สุดสูงกว่าอะไรครับสูงกว่าพันธสัญญาเดิมที่ พวกเขายึดติดมาโดยตลอดเนะครับในเช้าวันนี้นะครับเราอาจจะต้องมาดูครับว่าในหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งอาจจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมนะครับของขื้นจักรใดก็ตามหากว่ามีอะไรที่เรายึดติดไว้โดยที่เราไม่ยอมตรวจสอบกับพระเจนะของพระเจ้านั่นจะทําให้คขื้นจักรนั้นล้าหลังและในขณะเดียวกันครับเราต้องตรวจสอบว่าอะไรเป็นน้ำมัไทยและอะไรเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ เพื่อที่คริสจักรนั้นจะได้ขับเคลื่อนต่อไปคนยิวนั้นหากว่าเขาไม่ยอมรับพระเยซูเขาก็จมอยู่กับพระคัมภีร์เดิมและไม่ได้รู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่าครับและไม่ได้รู้ว่ามีสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้นี่นะครับพระนรมฮีบรูกําลังเฉลยว่าไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นเพททางความเชื่อเดิมนะครับซึ่งไม่ตรงกับพระคัมภีร์ซึ่งขัดแย้ง กับพระคำผีรขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระเจ้าเพี่น้งครับเราต้องเลือกเอาครับว่าเราจะทําอย่างไรที่จะเชื่อฟังพระคมภีร์เชื่อฟังพระดํารัสของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านั้นจะไกด์จะนําชีวิตของเราครับในการที่ยอมให้พระเจชนะของพระเจ้านําชีวิตของเราชีวิตของเราคิปจักของเราครอบครัวเรานั้นจะเดินเข้าอยู่ในทางที่มีแต่ความมั่นคงและปลอดภัยพี่น้องครับ โปรไฟลครั้งนะครับหากว่าชีวิตของเราครอบครัวของเราขื้ตจักดของเราเดินอยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำมันไทยแห่งพระชนะของพระเจ้าแน่นอนครับเรามั่นใจครับว่าชีวิตของเราครอบครัวของเราขื้นศักดของเราชุมชนของเรานั้นจะก้าวอยู่ในความปลอดภัยสูงสุดไม่มีสิ่งใดที่ดีกว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าได้เสรียมไว้ให้กับเราแล้วนะครับหลายครั้งทีเดียวเราต้องเปิดใจที่จะรับสิ่งที่อยู่ในพระยงทีซึ่งอาจจะขัดแย้งกับความคิดของเรา อาจจะขัดแย้งกับความเห็นของเราอาจจะขัดแย้งกับประเพณีวัฒนธรรมของเราแต่เราต้องยึดพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะ ย, ยกพระวจนะพระเจ้าที่มีจะมีออเทอริที้หรือสิทธิเที่ยมหน้าสูงสุดในชีวิตของเราอาเมน